ให้คอยกำหนดรู้รู้ความรู้สึกของเราให้กำหนดลงไปให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่คิดนึกฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆให้คอยดูเราเห็นลมหายใจยาวาลงไป ก็ตั้งสติไว้จะเทศที่ปรัสนาให้ฟังวิปรัสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในอะไรในตัวตนของเรานี่แหละในตัวของเรานี่ตัวของเราเกิดมา เกิดมาเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนะเมื่อมีเกิดยอมมีแก่ยอมมีตายทุกคนนั่นแหละ ปู่ย่าตาทวดของเราท่านก็แก่ก็ตายไปแล้วนีอายุยืนที่สุดก็ไม่เกินร้อยี่สิบปีหายากเต็มทีแม้พวกเรานี่ก็เหมือนกันผู้เทศเองก็เหมือนกัน จะอูไปได้กี่ร้อย ก, กี่ปีกี่เดือนเราไม่สามารถกำหนดได้เลยแต่ยอมรับได้ว่าต้องตายแน่นอนตายทุกคนคนที่ไม่ตายไม่มีแต่ว่าช้าหรือเร็วอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยเป็นมะเร็งก็เร็วหน่อย แต่เป็นโลกอื่นก็ทรมานไปส่วนนั้นก็เสียไปส่วนนี้ก็เสียไปเก็บหัวตัวร่อนเก็บแขนเก็บขาเป็นนั่นเป็นนี่ในที่สุดก็เหมือนมะม่วงที่มาแรงจเจานะน่ะในที่สุดก็เนา่าตายไปหล่นลง คนเราก็เหมือนกันเดี๋ยวเป็นโลกนั้นบางโลกนี้บ้างเก็บหัวตัวรอนในที่สุดก็ต้องสลายไปหมดเมื่อตายแล้วเราก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลย เนื้อก่อไปไม่ได้หนังก่อไปไม่ได้กระดูกก่อไปไม่ได้ทอดทิ้งไว้ในป่าช้าแรลงกาลงมาจิกกินหมูน้อนทั้งหลายก็เกิดขึ้นแมลงวันตอมแล้วก็ก ข, ขีขางใส่นอนก็ไต ย, ยั่วเย่าเต็มไปหมดไม่มีความสวยความงามหรือความน่ารักน่าสนใจอะไรเลย นางซีีมาเนี่ยเป็นคนสวยมากไม่ได้แต่งงานเขาเอาไว้เป็นสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นคนงามขนาดพระยังหลงเลยผ้าหนึ่งประวินทบาทที่บ้านนางศิดีมา วันนั้นนางศิริมาป่วยเขาก็โซมออกมาหิ้วปีกออกมาบางนันเถอะมาใส่บาทพาเห็นแล้วก็โอ้ทำไมสวยเท ế กฎ น, นี้นีถ่ถ้าป่วยนะนี่ยังสวยขนาดดีถ้าไม่ป่วยจะสวยขนาดไหน พระบินทบาตไปแล้วเขาไม่กินข้าวเลยนอนมือกายหน้าผากคิดถึงแต่นางสิรีมาเจ็ดวันผ่านไปคือคืนนั้นคืนที่พระไปบินทบาตนั้นแล้วตกกลางคืนมานางสิรีมาก็ตาย ตายแล้โรคเป็นใข้นั่นแหละพอตายแล้วพระราชาก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่านางสิริมาตายแล้วพระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่าให้เก็บนางสิริมาไว้ที่ป่าชาพีดิบไม่ต้องเผาไม่ต้องฝังให้คนรักษาไว้อย่าให้แรงให้กาไปกินไปกัดไปกิน แต่ว่าห้ามหมูหนอนไม่ได้เนาะมันเน่าเหม็นสองสามวันเน่าเหม็นละขี้แขางขี้ใสมแมลงวันขี้ใสกลายเป็นตัวนอนเต็มไปหมดทวารทั้งเก้าตาสองข้าง หูสองข้างจมูกสองปากหนึ่งทวานหนักทวานเบามูนอนไตไตไตไตอมเต็มไปหมดเลยออกมูนอนออกเข้าออกเข้าร่างกายก็เปื่อยเน่าลงไปทุกทีทุกทีน้ำเหลืองก็ปลีออกต า, ตามร่างกายที่มันขึ้นอืดขึ้นพองนะน้ำเหลืองก็ไหลออก ไหลยเยิมไปหมูหนอนก็มแมลงวันก็ขี้ใสก็เป็นหนอนเต็มไปหมดนางศิริมานี่ผู้ชายไปอยู่ด้วยคืนหนึ่งนี่สี่พันกหาปนะกหาปนะหนึ่งเท่าเทียวเกินไทยก็ สี่พันหาปห้านี่ก็คือเท่ากับหนึ่งมืนสี่พันบาทคืนหนึ่งทีนี้พอครบเจ็ดวันพระพุทธเจ้าก็บอกผ้านุนให้เตือนพระทั้งหมดไปดูนางสีหมาพระองค์ที่ไม่กินข้าวนี่ยข้าวจนเป็นเล่าแล้วมัน มันเป็นเล่าลกลายเป็นเล่าเลยก็รีบไปล้างบาดบาดสมัยก่อนไม่เป็นบาดสแตนเลดอย่างปัจจุบันนี้เป็นบาดเหล็กขค้ืนสนิมเลยท่านก็รีบไปล้างพอรู้รข่าวว่าจะไปเยี่ยมนางศีดีมาล้างบาดแล้วแฟกทั้งหลายเลยทั้งหมดอะ ก็ไปดูศพนางสิริมาพระพุทธเจ้าก็สั่งให้พระราชาประกาศขายพระราชามอบอำนาจให้อมาต์ประกาศขายขายตั้งแต่สี่พันกะหาปณะนะว่าใครจะเอานางสิลีมา ให้จ่ายเงินมาสี่พันบาทประชาชนก็มากันหมดนะพระก็ไปญาติโยมก็มาหมดเหลือไว้แต่คนแก่กับเด็กน้อยนอกนั้นให้มาหมดประกาศขายให้นางซิริมานีไปสี่พันขาประณนะ ไม่มีคนเอาลดลงมาสามพนันกหาปณะก็ไม่มีคนเอาสองพนันกหาปณะก็ไม่มีคนเอาหนึ่งพันกหาปณะกม็มีคนเอากหาปณะเดียวก็ไม่มีคนเอา ด้วยลงมาจนถึงสตางแดงเดียวบาทเดียวสตางแดงเดียวก็ไม่มีคนเอาให้เฉยๆก็ไม่มีคนเอานี่แหละพระองค์นั้นพิจะะารณา พระพุทธเจ้า ก, ก็แสดงธรรมว่าร่างกายสังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปอย่างที่เห็นนี่แหละพระองค์นั้นได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันองค์ที่นอนมือกายหน้าผากเลยได้เป็นพระโสดาพัน์องค์อื่นๆก็ได้บรรลุมรรคผลไปตามภูมิของตน ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปตายไปตายแล้วเขาก็ไปทิ้งไว้ป่าชา้าเป็นอาหารของหนอนของสัตว์อื่นๆปีหนึ่งก็เปื่อยเน่าลงไป หังลงไปสองปีกระดูกก็ออกจากกันสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีเก้าปีสิบปีกระดูกเลี่ยไยไปตามที่ต่างๆกระดูกแขนไปทางหนึ่ง กระดูกขาไปทางหนึ to to ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังก็ไปทางหนึ่งฟันก็ไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะก็ไปอยู่ทางหนึ่งไม่ต่อกันถูกแดดถูกลม ถูกฝนตกกระดูกก็เริ่มผุพังไปกระจัดกระจายไปยึดถือเอาว่าอันนี้ของเราก็ไม่ได้ยึดถือเอาว่านี่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้อัน น, น, น, น, นี้คือของเรากระดูกกระโลกศีรษะนี่เป็นของเรา ก็ไม่ได้กระดูกหลังกระดูกซี่โครงเป็นของเราก็ไม่เป็นของเราไม่รู้ว่าของใครถ้าร้อยปีไปแล้วก็สลายไปผุพังไปมดุดถูกแดดถูกฝนถูกลมถูก ร้อนถูกหนาวเราจะยึดถือว่าเป็นของเราไม่ได้เลยตัวเรานี่จะยึดถือว่าอันนี้แหละคือตัวเราไม่ได้ถามโลกสมมุติว่าร่างกายนี้คือของเราก็ถูกต้องตามโลกสมมุติ แต่พระพุทธเจ้าบัญญัติรงไปว่ากายนี้เป็นอนาัตตาคือไม่มีอะไรเป็นของเราเลยหาตัวตนสาระแก่นสารไม่ได้หลังจากตายแล้วก็เปื่อยเน่าผูพังไปเราเอาไปด้วยไม่ได้เลย แม้แต่ทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองเราจะมีร้อยล้านพันล้านหรือมากกว่านั้นก็เอาไปไม่ได้ลูกล้านเหลนหล้ น, ลนก็เอาไปด้วยไม่ได้บุตรธิดาก็เอาไปไม่ได้ไปคนเดียวจิตของเราวิญญาณของเรารูปกับนามรูปที่เอาไปไม่ได้ นามนี้คือใจใจนี้ไปเกิดในภพใหม่ภูใหม่ถือร่างใหม่ทำความดีไว้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าปฏิบัติธรรมจิตสงบจนวางความยึดถือในกายนี้ได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้อีกเกิดชาติ ถ้ายังไม่ได้นั่นกำหนดชาติไม่ทวนกำหนดไม่ได้เลยไม่รู้จะไปเกิดกี่ครั้งกี่หนก็ไม่นับไม่ได้นี่แหละมันเป็นอย่างนี้อะไรอะไรก็เอาไปไม่ได้ ตัวของเราว่าตัวของเราก็เอาไปไม่ได้มีแต่ใจของเราเนี่แหละไปเกิดพบใหม่ภูมิใหม่จะไปเกิดเป็นอะไรบ้างก็แล้วแต่บุญแต่กรรมบุญกุศลแลกคำดีกรรมชั่วพาไปคาชั่วก็ไปสู่ใบยภูมิไปตนกนรก อวายยภูมิคือนรกสัตดิสารเปรตสุรกายทนทุกทรมานอยู่ในภูมิันต่ำอันนี้เรามีบาปเรามีความชั่วความผิดกระทำไว้ในมนุษย์นี้มากต้องไปสู่อวายยภูมิถ้าทำความดีไว้ เช่นมานั่งปฏิบัติธรรมทนทุกทรมานเจ็ดวันแปดวันอย่างนี้บุญกุศลเกิดขึ้นในจิตเราจิตเราบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในสิ้นในธรรมอันนี้เป็นกองบุญใหญ่เราได้บุญได้กุศลนี่บุญกุศลอันนี้ก็ส่งให้เราไปเกิดในภพภูมิที่ดีไปเป็นเทพเป็นเทวดา อินพรมแต่ถ้าเราได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเราก็ไปเกิดในสวรรค์หรือในพรมโลกก็ได้แม้มีการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จริงแต่ไม่เกินเกียชาติก็ต้องได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพาน ถ้าเราได้พระสกิทาคามีคือบรรลุธรรมขึ้นไปถึงขั้นสกิทาคามีเราก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์กลับจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวก็ได้สำเร็จเป็นพระอารหรันเราเลือกเกิดได้เลยไม่ไปสู่นรก ไม่ไปสู่ภูมิเปลียนอสุรกายสัตดิ拉านมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นและเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฐิคือตระกูลที่เชื่อในบาปปุลคุณโทษเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วไม่เห็นผิดถ้าเราได้สูงกว่านั้นเราได้อนาคามี เราก็ไปเกิดในพร ม, มโลกเสเพยสุขอยู่ในสุทาวาสพร ม, มโลกห้าชั้นอวิหาชั้นหนึ่งอตปา ส, า, ส า, สาสุทัศสาสุทัศสีอาการิถาเกิดในพร ม, มโลกห้าชั้นนี้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในพร ม, มโลกสิ้นอายุพรมก็เข้าพระนิพพาน ถ้าเราได้สำเร็จเป็นผ้ารหารันเราไม่เกิดในภพภูมิไหนอีกเลยตายแล้วก็กิตของเราก็เข้าพระนิพพานไปไม่ได้กลับมาเกิดในภพอันต่านี้อีกพ้นจากทุกทั้งปวงไม่ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมาหึงมาหวงมาหวงม า, งมาอะไรมา มีความเยื่อใยผูกพันมั่นหมายอะไรอีกหมดความทุกข์ทุกอย่างนี่ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาว่าตัวเราก็สลายตายไป หน้าที่ของเราคือดูก่อนที่มันจะสลายไปนี่ดูให้ชัดในตัวตนของเรานี่ที่ท่านว่าไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจริงๆมีเกิดมีแก่มีเก็บ ม, ม, ม, มีตายไม่เที่ยงแต่วันเวลาที่จะตายกำหนดไม่ได้ไม่เที่ยงไม่รู้ว่าวันไหน นั่งอยู่บนรถบนเรือหรือบนเครื่องบินหรือเดินไปความตายจะเกิดขึ้นแก่เราเวลาไหนเราก็าหนดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงความเป็นเช่นนั้นก็พิจารณาตัวเรานี่ให้มันวางความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นกิตที่สบาย หายกางังวลไม่มีทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญให้พิจนาลงไปถึงความเป็นอนัตตา คือไม่มีสารแกน็สารที่เราจะเก็ดถือเอาไปได้ในตัวตนอันนี้มือก็เอาไปไม่ได้เท้าก็าไปไม่ได้แขนขาเอาไปไม่ได้สมองกระโหลกศี่ะก็เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้สักอย่างเราทิ้งไว้นในโลกนี้ทั้งหมดสิ่งใดที่เราทำไว้สิ่งนั้นแหละเราได้ไป ให้ทานไว้รักษาศีลไว้ภาวนาไว้เราเอาไปได้เอาบุญกุศลเหล่านี้ไปได้แต่ทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้มีร้อยล้านพันล้านก็เอาไปไม่ได้ญาติมิตรลูกหลานเล้นหล้นก็เอาไปไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ให้พี่นาเข้าไปให้เห็นความไม่มีตัวตนที่เป็นของเราจริงๆไม่มีไม่มีเลยไม่มีจริงๆเอาไปไม่ได้หรอกให้วางเสีย ปงเสียถ่ายถอนออกจากใจเราเสียนี่แหละเราเอาความถึงธรรมของพระเจ้าไว้เป็นหลักเอาคุณธรรมโซโดาสกิทาคาอนาคาอารหันไว้เป็นสมบัติในใจของเรา เราสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจของเราเราไม่ยึดติดในสิ่งไหนภายนอกอย่างอื่นเอาคุณธรรมเหล่านี้ไว้ในใจของเราเมื่อเราตายไปแล้วเราก็ไปสู่ภูมิสู ง, สงเป็นเทพเทวดาอินผรม ถ้าสำเร็จเป็นพระอาหนแล้วได้ทําเบื้องสูงแล้วตายแล้วก็เข้าพันนิพานไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะฉะนั้นให้พิจนาลงไปที่ตัวเรานี่แหละมันไม่น่าสนใจอะไรสักอย่างหรอกแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็จะไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่อาบน้ำไม่ ถูสบูไม่รีบผมไม่ทําอะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นกขเป็นคนบ้านแหละเสื้อผ้าก็จะไม่นุ่งไม่ถือปล่อยวางหมดทุกอย่างอันอย่างนี้เขาเรียกว่าวางไม่ถูกวิธีแต่ในที่นี้เราต้องการให้ใจของเราวางความยึดถือตัวตวนอันดีเท่านั้นเองนี่แหละ วางความยึดถือตัวตนไม่ใช่วางแบบไม่สนใจเราก็กินน้ำเราก็กินข้าวเราก็อาบน้ำอาบท่าแต่งตัวอยู่วีผมโกนหนวดโกนเขา่ากินข้าวกินน้ำอยู่พูดคุยอยู่ แต่เรามีสติมีสติคือความรู้สึกระลึกได้อยู่ตลอดเห็นใจของตอนเองอยู่ตลอดเวลาว่าตัวของเรานี่ไม่เที่ยบเป็นทุกข์เป็นห น, น้าตาให้เห็นชัดลงไปในใจของเรา ชัดชัดลงไปเลยว่าตัวนี้ไม่มีอะไรที่สำคัญแก่เราเลยเราก็จะวางความยึดความติดความหลงในตัวตันนี้ได้เราก็จะถึง ซึ่งความสุขความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นพระอริยบคุคคลถึงไม่ได้เป็นพระหันได้เป็นพระโสดาบันก็ยังดีส่วนผู้ที่ถึงข้ารหันมีอยู่ก็น้อย อย่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็ละเอียดไปเราเข้าสมาธิทุกวันหาเวลาให้กับตัวเองเข้าสมาธิทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงถ้าใจมันยังไม่สงบสนิทก็เปิดเทปเปิดเทส พิธีทำสมาธิฟังไปพูดไปสามสิบนาทีแล้วก็ฟังสามสิบนาทีนั่งสมาธิไปสามสิบนาทีพูดนาทีสองนาทีแล้วก็นั่งสมาธินาทีสองนาทีเราก็หยุดอย่างนี้เราทำไปเรื่อยๆคือขัดเกลอกิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใส ทำทุกวันมันมีเวลาอยู่หรอกพอจะทำได้มันมีอยู่ถ้าไม่ขี้เกียจมันก็มีแล้วมันก็จะละเอียดไปเรื่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวมนนั่งสมาธิ ตั้งแต่สิบแปดนาฬกานั่งตั้งแต่สิบแปดนาฬีกาพอนั่งไปนั่งไปไม่รู้ว่ากิจหายไปไหนหลับในตื่นขึ้นมาเห็นเจ้าของนอนอยู่ค้ำดูข้างๆก็ไปถูกหมอน หมอนซาอูมันเหมือนผมกนนี่มันมาหลงตองแต่งอยู่ไปจับนึกว่าผู้หญิงมานอนด้วยตกใจกระโดดว่าจะขึ้นเตียงกระโดดหนีว่างั้นเถอะมันไม่ขึ้นเตียงสิมันไปนใส่กองหมอนที่เขาวางไว้ที่วางไว้ใกล้ประตู น, น ฮ่มเลยลองเสียงหลงเลยลอายแก่ใจโเราทำไมเป็นอย่างนี้เรานั่งสมาธิอยู่ดีๆทำไมหลับไหนไปอย่างนี้อันนี้หลายปีมาแล้วตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่ตั้งแต่อายุสามสิบกว่าสามสิบ สี่สามสิบห้าที่เป็นนี่เป็นสามสิบหกอยู่สามสิบหกวันหลังเอาอีกนั่งอีกนั่งคอยดูว่านี่คอยเฝ้าดูตลอดเลยว่ามันจะหลับไหนหรือเข้าพวังไปเวลาไหน คอยดูคอยดูตั้งแต่สิบแปดนาลีกาจนถึงตีสี่สติกับจิตกับความรู้สึกเดี๋ยวมันจ่ออยู่ตลอดเวลาเลยใสยนิ่งสงบไม่คิดนึกอะไรเลยคอยเฝ้าดูตลอดจนถึงตีสี่รู้สึกว่า เหนื่อยหลังนิดหน่อยก็เลยเอ๊ะพักผ่อนสักหน่อยก็น่าจะดีเพราะมันตีสี่แล้วว่าจะขึ้นไปนอนเหยียดหลังให้สบายสักหน่อยหนึ่งพอขึ้นไปหัวยังไม่ถือหมอนเลยละเบิดตึมร่างกระจายออกไปเป็นดาวเจ็ดดวงฝากฏอยู่ ระเบิดครั้งที่สองเป็นดาวสามดวงรากฏอยู่ระเบิดครั้งที่สามมีเชือกผูกคออยู่แล้วก็ผูกคอคนอื่นห้อยอยู่ในความรู้สึกขณะนั้นบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอ า, เอาบอกว่าไม่เอาเพราะว่าไม่เอาก็ระเบิดครั้งที่สี่ ร่างกระจายไปพดไม่มีอะไรเหลือหลงอยู่เลยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่สว่างไปหมดโลกธาตุอันนี้อันนี้เป็นตั้งแต่อายุสามสหกปีก่อนออกครรษาแปดวั น, วนพ่อครรสาแล้ว ก็เลยไปวัดหินหมากเป้งไปกราบเรียนหลวงเทศเล่าความเป็นไปให้ท่านฟังท่านก็ไม่บอกว่าเราบรรลุขั้นไหนทำไหนท่านบอกว่าทำไปให้มันละเอียดท่านก็บอกเพียงเท่านี้ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ม, มันก็ละเอียดไปละเอียดไปเอียดไปละเอียดไปหมด นี่แหละลงไปหาลงพ่อวิริยังพอมันละเอียดหมดแล้วก็ลงไปหาลงพ่อวิริยังส่วนหลวงุทศท่านนี้ผ่านไปก่อนแล้วหลวงพ่อวิริยังก็บอกว่า มันยุ่งยากขนาดนี้มันยังทะลุขึ้นมาได้ น, นั่นี่ท่านพูดเพียงเท่านี้แหละอัตมาก็าประครับประคองกิจใจมาเรื่อยๆเข้าสมาธิทุกวันบางทีบางโอกาสไม่มีธุระอะไรก็เข้าสมาธิถ้ามีธุระหน้าที่ก็ทำนั้นทำนี่ไปก็โชคดีที่เรา จัดเราทำวันนี้ได้อาจารย์ไพบุญเป็นกำลังสำคัญช่วยกันตลอดถึงผู้ช่วยงานทำและแม่ครัวทุกคู่ทุกคนเปิดวิธีอบรมสมาธิวิปัสสนาให้กับ สาธุชนทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันก็ได้รับผลตามสมควรแก่ความปฏิบัติมีความสุขความเจริญมีจิตใจสงบเยือกเย็นได้เห็นอัตเห็นธรรมของพทธเจ้า คุ้มค่าที่เราเสียเวลามาห้าวันเจดวันเจ็ดวันแปดวันเราก็ได้ความสงบใจความสบายใจไปกับกลับไปบ้านทุกทุกคนใช้เวลาอันสั้นเพียงเจดวันในการปฏิบัติธรรม เราก็สามารถทําจิตของเราที่ไม่สงบให้สงบได้กิจที่ไม่ถึงธรรมก็ให้ถึงธรรมได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับพวกเราทุกท่านทุกคนที่มาปฏิบัติแรกทีเดียวก็ไม่มากหกสิบกว่าคนปัจจุบันเป็นร้อยที่นั่งก็ไม่พอที่นอนก็ไม่พอ กุฏิสร้างขึ้นญาติโยมมีปัจจัยถวายมาก็สร้างกุฏิขึ้นหลาย ห, หลังก็ยังไม่พอแต่ละครดนี่ก็เป็นร้อยเป็นร้อยกว่าอันนี้เรามาปฏิบัตินี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราที่ได้มีโอกาส มาฝึ ก, กจิตใจให้สงบให้เข้าถึงอัตถิธรรมของพระพุทธเจ้าให้เห็นความจริงของชีวิตให้ปล่อยวางได้ให้ถึงความสงบเย็นใจได้ก็ถือว่า เรามีความโชคดีผู้หนึ่งในบรรดาความโชคดีแในหลายท่านตัดความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารให้สั้นเข้าทุกขาชาติปุนับผุนัง การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล้ำไปเกิดเท่าไหร่ก็ทุกเท่านั้นถ้าไม่เกิดจึงไม่ทุกข์ก็คือถึงว่านี้ผ่านแล้วไม่เกิดนะมันไม่มีทุกข์อีกให้พิจารณาต่อไป